แล้วก็มีอารมณ์ที่ไม่ดีก็เป็นโกรธเป็นไม่พอใจเหล่านี้เป็นต้นใจไม่ว่างใจไม่สงบเพราะฉะนั้นความว่างก็คือตัวความสงบ และคือตัวอุเบกขาความที่รู้วางไม่วุ่นวายไม่ยุ่งใจสงบใจวางแม้รู้อยู่ก็สงบได้ วางได้ดังนี้จึงจะเป็นสุญญาตาคือความว่างและสุญญาตาคือความว่างที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นหากหัดปฏิบัติไปตามที่ทรงสั่งสอนตั้งแต่ในเบื้องตน้นก็ยอมจะทำได้สะดวก จะทำให้จิตใจนี้ว่างจากอารมณ์ที่ปรุงใจว่างจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองใจไปโดยลำดับเพราะฉะนั้นจะอยู่ที่ไหนจะป่วยหรือไม่ป่วยจะบวชหรือไม่บวช ก็สามารถที่จะพบกับสุญญาตาคือความว่างตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ได้หากไม่ปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอนก็จะไม่ได้พบสุญญาตาคือความว่างเจ็บป่วยก็ไม่ได้พบสุญญาตาคือความว่างบวชก็ไม่ได้พบสุญยตาคือความว่าง เป็นคืนหัดก็ไม่ได้พบสุญญาตาคือความว่างเป็นบรรพชิตก็ไม่ได้พบสุญญาตาคือความว่างเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมะจึงต้องฝึกหัดปฏิบัติทำสุญญาตาคือความว่างตามที่ทรงสั่งสอนดังที่ได้แสดงมาแล้วโดยลำดับ แต่ว่าจะได้แสดงทบทวนในตอนท้ายซึ่งจะเป็นทางนำการปฏิบัติไปด้วยก็ได้แสดงมาถึงที่ตรัสสอนให้ อสิการคือทำใจกำหนดในจิตอย่างละเอียดจนถึงปล่อยอารมณ์ทั้งหมดทั้งที่ เป็นรู ป, ปารม์อารมณ์ที่เป็นรูปหรือดังที่เรียกว่ารู ป, ประฌานรูปปัสมาบัติกับทั้งอรู ป, ปารม์อารมณ์ที่ไม่มีรูปดังที่เรียกว่าอารู ป, ประฌานหรืออรูปปัสมาบัติแต่ก็ไม่หมดทีเดียว ถึงไม่หมดก็ละเอียดที่สุดเกือบจะหมดคือในข้อที่ว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่คือมีสัญญาอยู่เหมือนกันแต่ว่าละเอียดมาก แม้เป็นสัญญาคือความกำหนดหมายที่ละเอียดมากจิตนี้ก็สว่างโพลงตั้งมัน่นมีความรู้อยู่เต็มที่มีความเข้าไปเพ่งอยู่เต็มที่คือเข้าไปเพ่งอยู่กับ ไม่มีนั่นแต่ว่าอันที่จริงนั่นก็ยังมีอยู่อีกหน่อยหนึ่งไม่ใช่ไม่มีไปทั้งหมดคล้ายๆกับว่ารู้สึกว่าจะมีคนหลบอยู่ในห้องห้องหนึ่ง ก็เข้าไปในห้องนั้นแล้วก็ค้นหาว่ามีใครอยู่ในห้องนั้นซ่อนอยู่ที่ไหนบ้างก็ไม่พบใครสักคนหนึ่งจึงมีความเข้าใจว่าไม่มีใครอยู่ในห้องนั้นแต่อันที่จริงนั้นลืมนึกไปถึงว่ามีตัวเองอยู่ในห้องนั้นอีกหนึ่งคน คือตัวเองซึ่งเป็นผู้ค้นหานั้นเพราะฉะนั้นไม่มีใครอื่นเรียกว่าไม่มีอารมณ์ทั้งที่เป็นรูปทั้งที่เป็นอรูปอื่นๆทั้งหมดแต่ว่าก็ยังมีตัวเราอยู่อันเป็นที่ยึดถืออยู่ และในการค้นหานั้นก็ยังเป็นการคน้นซึ่งแสดงว่ายังไม่เสร็จกิจยังต้องคน้นยังต้องปรุงแต่งการคน้นเพราะฉะนั้นที่ว่ามีสัญญา ไม่มีสัญญาก็มีใช่นั้นก็หมายความว่ามีสัญญาอยู่เหมือนกันแต่ว่าละเอียดมากไม่ถึงจะกล่าวว่าเป็นรูปประสัญญากำหนดหมายในรูปสัทธสัญญากำหนดหมายในเสียงหรือในอากาศช่องว่างในวิญญาณที่เป็นตัวรู้หรือในอะไรอะไร ที่แม้นิดน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีในสิ่งที่เป็นช่องว่างนั้นแต่ก็ยังมีตัวสัญญาที่กําหนดอยู่นั่นแหละคือกําหนดว่าไม่มีความกําหนดว่าไม่มีนั่นเองก็เป็นสัญญาฉะนั้น พระพุทธองค์จึงได้ทรงแสดงว่าแม่หัดปฏิบัติมาถึงขั้นนี้ก็ยังมีเหลืออยู่อย่างหนึ่งคือกายนี้ที่มีอายตนะทั้งหกและมี ชีวิตเป็นปัจจัยกับทั้งยังมีตัวสัญญาที่แม้ว่าจะไม่ชัดเจนเพราะเป็นความกำหนดอยู่ว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีตัวความกำหนดนั่นก็ยังเป็นตัวสัญญาแต่เป็นอย่างละเอียด ฉะนั้นในขั้นต่อไปจึงได้ตรัสสอนให้ไม่ใส่ใจถึงความกาหนดหมายอันเป็นตัวสัญญาที่ละเอียดดังกล่าวแต่ให้ใส่ใจถึง ข้อที่เรียกว่าอนิมิตตเจโตสมาธิคือสมาธิแห่งใจที่ไม่มีนิมิตสำหรับกำหนดหมายอันอนิมิตตเจโตสมาธิ สมาธิแห่งใจที่ไม่มีนิมิตเป็นเครื่องกำหนดหมายนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดมากและโดยปกติก็แสดงในขั้นสูงสุดของการปฏิบัติและพระอาจารย์โดยมากก็แสดงอธิบาย เป็นวิปัสสนากรรมฐานไปทีเดียวว่าคือปัญญาที่พิจารณานิมิตคือสิ่งที่กำหนดทั้งหมดของจิตใจหรือที่เรียกกันเป็นสามัญว่าขันธ์ห้าก็ดีนามารูปก็ดี หรือว่ารูปหรือว่ากายเวทนาจิตธรรมก็ดีหรือว่าอาจตนะหรือว่าธาตุก็ดีซึ่งทั้งหมดก็มีอยู่ในกายและใจอันนี้ทั้งหมดไม่กำหนด ยึดถือในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดว่าเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาคือเป็นตัวเราของเราแต่ทั้งหมดเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป ลังอยู่คงที่ไม่ได้เป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนและเมื่อได้พิจารณาจนได้ปัญญาในไตรลักษณ์ดังนี้จึงไม่มีนิมิต คือไม่มีความยึดถือของจิตที่กําหนดในอะไรอะไรทั้งสิ้นวัดเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตาตาโตตนดังนี้เป็นอนิมิตตะเจโตสมาธิอันก็อาจพิจรารณา ได้อีกว่าอนิมิตเจโตสมาธินั้นสูงกว่าขั้นที่กำหนดในสัญญาอย่างละเอียดเป็นสัญญาที่กำหนดในในความไม่มีน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มี ซึ่งเป็นตัวสัญญาเหมือนกันละเอียดจนถึงว่าไม่ถนัดที่จะเรียกว่ามีสัญญาแต่ก็ไม่อาจจะเรียกได้ว่ามีไม่มีสัญญาเพราะมีเหมือนกันซึ่งในขันอนิมิตตะนี้ก็เป็นอันว่าเลิกสัญญากันทั้งหมด จิตเข้าสู่ธรรมชาติของจิตธรรมชาติของจิตนั่นคือเป็นวิญญาณธาตุธาตรูปเป็นอาพัสราธาตุคือธาตุที่ผ่องใส ทั้งสองนี้เป็นธรรมชาติของจิตรู้และผ่องใสในขั้นอนิมิตเจโตสมาธินี้จิตจึงตั้งสงบอยู่ภายในประกอบด้วยความรู้ประกอบด้วยความผ่องใส ไม่ออกมากำหนดอะไรอะไรทั้งหมดหยุดสงบอยู่ในภายในจึงไม่มีสัญญาในอะไรอะไรทั้งหมดตั้งสงบอยู่ในภายในแต่ว่ารู้รู้และผ่องใสอาจจะ เป็นอนิมิตตะเจโตสมาธิในขณะที่ยังอยู่เป็นปกติธรรมดานี้ก็ได้เช่นว่าไม่ได้นั่งเขาที่เขาทางอะไร ตาก็ลืมหูก็ฟังจมกกกูกลิ้นกายก็รับกลิ่นรสผลทพะแต่ว่ามโนคือใจนั้นไม่ออกตั้งสงบอยู่ด้วยความรู้ และความพัดสอนคือผุดผ่องเท่านั้นอะไรผ่านเข้ามาทางตาก็รู้ก็เห็นเสียงอะไรดังขึ้นก็ได้ยินเรอนี้เป็นต้นแต่ว่าจิตรู้แล้วก็แล้วไปเห็นก็แล้วไป ได้ยินก็แล้วไปไม่ออกมายึดไม่ออกมากำหนดไม่ออกมายึดไม่ออกมากำหนดทั้งในทางที่ก่อกิเลสก่อโลภะก่อโทสะก่อโมหะทั้งในทางที่เป็นกรรมฐานเก่งกำหนดลมให้ใจเข้าออกกาหนด ผมขนและบฟันหนังกำหนดธาตุสี่เป็นต้นนี่เรียกว่าออกมากำหนดเป็นกรรมฐานไม่ออกมากำหนดทั้งหมดเห็นอะไรได้ยินอะไรก็รู้รูปรู้เสียงเป็นต้นก็แล้วไปเท่านั้นจิตตั้งสงบอยู่ในภายในด้วยความรู้อดีายวด้วยความผองใส ดังนี้แหละคือเป็นตัวอุเบกขาอย่างแท้จริงในขั้นนี้จิตตั้งสงบอยู่ดังนี้จึงไม่มีนิมิตคือเครื่องกำหนดอะไรเพราะไม่ออกไปกำหนดเมื่อจิตออกไปกำหนดในสิ่งใดสิ่งนั้นจึงเป็นนิมิตขึ้นมาแต่เมื่อจิตไม่ออกไปกำหนดในสิ่งใดสิ่งนั้นก็ไม่เป็นนิมิต เพราะฉะนั้นอาการที่จิตตั้งสงบอยู่ภายในดังนี้เรียกว่าเจโตสมาธิสมาธิของใจและตั้งสงบอยู่ไม่ออกไปกําหนดอะไรทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางมณะคือใจทั้งหมดตั้งสงบอยู่เฉยๆอะไรมาก็เห็นอะไรมาก็ได้ยิน เห็นหมดได้ยินหมดอย่างธรรมดานี่แหละแต่ว่าตั้งสงบอยู่เฉยๆไม่ออกมากำหนดอันนี้แหละคือเป็นตัวเป็นอนิมิตเป็นอนิมิตเจโตสมาธิในความรู้นั่นอาจจะประกอบด้วยไตรลักษณญาณรู้ในไตรลักษณ์ก็ได้ หรือว่าไม่ได้นึกถึงว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ได้รู้สงบอยู่ภายในเฉยๆดังนี้เป็นอนิมิตเจโตสมาธิและแม้ได้ในขั้นนี้ซึ่งเป็นสุญญาตาในขั้นปฏิบัติ อย่างสูงสุดแต่ก็ยังมีเหลืออยู่ที่กายนี้อันมีอายตนะทั้งหกและมีชีวิตเป็นปัจจัยอันที่จริงนั่นไม่ใช่เหลืออยู่เพียงกายนี้เท่านั้น ยังมีอวิชชาตันหาอุปาทานเหลืออยู่ด้วยเหมือนอย่างตัวอย่างที่กล่าวแล้วเมื่อกี้นี้ให้เป็นตัวอย่างอันเดียวกันได้ว่าเขาไปค้นหาใครอะไรในห้องห้องหนึ่งก็ไม่เห็นอะไรไม่เห็นใครว่างไปทั้งหมดก็รู้สึกว่าว่างไม่มีใครไม่มีอะไรแต่อันที่จริงนั่น ยังมีตัวเราอยู่ซึ่งเป็นภูเข้าไปคนนั้นการคนนั้นก็เป็นการปฏิบัติซึ่งเรียกว่าเป็นสังขารคือความปรุงแต่งและเมื่อ น, น้อมเข้ามาว่าจิตก็เป็นความปรุงแต่งจิตใจปรุงแต่งให้เป็นอนิมิตเจโตสมาธิขึ้นเช่นเดียวกับปรุงแต่ง ในขั้นที่แสดงมาโดยลำดับเป็นขั้นขั้นขึ้ น, นมาเหมือนอย่างการขึ้นบันไดขึ้นมาทีละขั้น<ๆ>ก็ต้องปรุงแต่งการขึ้นขึ้นมาคือเดินขึ้นมาไม่ปรุงแต่งคือไม่เดินก็ขึ้นบันไดมาไม่ได้การจะขึ้นได้ก็ตรงเดินการเดินนั่นก็เป็นการปรุงแต่งคือปรุงแต่งการเดินชั้นใดก็ดี ในข้อนี้ก็ต้องเป็นการปรงแต่งคือการปรุงแต่งการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเมื่อยังเป็นการปรงแต่งสิ่งใดที่เป็นการปรงแต่งสิ่งนั้นก็เป็นอนิจจคือไม่เที่ยงมีความดับไปเป็นธรรมดาคือเป็นสิ่งเกิดดับ เพราะฉะนั้นในขั้นต่อไปจึงตรัสสอนให้หยุดปรุงแต่งดูเข้ามาในภายในเท่านั้นไม่ปรุงแต่งหยุดปรุงแต่งเพราะว่าปรุงแต่งขึ้นมาจนถึงขั้นที่สุดแล้วเหมือนอย่างเก้าขึ้นบนันได มาถึงขั้นที่สุดแล้วก็เป็นอันว่าไม่ต้องก้าวขึ้นต่อไปหยุดก้าวเพราะว่าถึงขั้นที่สุดแล้วเมื่อหยุดปรุงแต่งดังนี้ก็คือความปล่อยวางพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงว่าผูที่ไม่ปรุงแต่ง จิตจิงพ้นจากกามาสะวะอาสะวะคือกรมภาวาสะวะอาสะวะคือภพอวิชชาสะวะอาสะวะคืออวิชชาอาสะวะนั้นเป็นกิเลส ท, ที่ดองสันดาน ซึ่งตรัส จ, จำแนกออกเป็นกามคือความรักความใคร่ความปรารถนาเป็นภพคือความเป็นตั้งตนแต่เป็นเราเป็นของเราและเป็นนั่นเป็นนี่ต่างๆเป็นอวิชชาคือความไม่รู้คือไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริง โดยตรงก็ในอริยสัตว์ตามที่ตรัสสั่งสอนเหล่านี้เป็นกิเลส ท, ที่ดองสันดานสัตว์บุคคลหรือเรียกว่าสัตว์ตวโลกเพราะฉะนั้นการปฏิบัติทางพุทธศาสนาที่จะเสร็จกิจนั้น จึงต้องปฏิบัติให้สิ้นอาสะวะดังกล่าวจึงเรียกท่านภูที่สิ้นอาสะวะว่าพระขีณาสะวะหรือพระขีณาศพภูมีอาสะวะสิ้นแล้วหรือว่าสิ้นอาสะวะกิเลส ท, ที่ดองสันดานและเมื่อเป็นดังนี้ จึงบรรลุถึงนิพพานธรรมะหรือธรรมชาติที่ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องร้อยรัดทั้งหมดอันนิพพานนั้นมาจากคำวันนิที่แปลว่าไม่มีหรือแปลว่าออกกับวานะที่แปลว่ากิเลสเป็นเครื่องร้อยรัดกันโดยมาก แต่บางทีก็แปล ก, กันว่าลูกสรวาณะคือกิเลสเป็นเครื่องร้อยรัดหรือลูกศร น, นี้เป็นลูกสรนที่เสียบจิตใจก็คือตัวความรักความใคร่ความปรารถนาบ้างความเป็นเราเป็นของเราบ้างตัวความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริง อันทำให้หลงยึดถือต่างๆต่อไปบ้างเหล่านี้เป็นกิเลสที่เหมือนลูกศรเสียบจิตบางทีก็ยกออกมาอันเดียวว่าลูกศรที่เสียบจิตนี้คือตัณหาความทยานอยากหรือความดิ้นรนทยานอยากเพราะว่า เป็นอาการที่กำหนดได้ง่ายจะเป็นกิเลสตัวไหนก็ตามเมื่อมีอยู่แล้วเสียบจิตใจอยู่แล้วก็ทำให้จิต ด, ดิ้นรนทั้งนั้นไม่สงบน้อยหรือมากตันหาจึงเป็นตัวลูกศรที่เสียบจิตหากยังถอนลูกศรที่เสียบจิตนี้ไม่ได้ก็พ้นทุกข์ไม่ได้แต่บุคคลเรานั่น มักจะไม่ชอบถอนลุกสอนให้เสียบจิตตัวนี้ออกยังเพลินยังยินดีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงว่าตันหานี้ไปโดยกันกับนันทิคือความเพลินมีความยินดียิ่งยิ่งเพราะฉะนั้นจึงมักชอบที่จะหาตันหามาเสียบจิตกันอยู่เสมอ มีตันหาเสียบจิตอยู่แล้วก็ไปหามาเสียบจิตเข้าอีกเป็นบุคคลบ้างเป็นสิ่งของบ้างเป็นอะไรบ้างไม่หยุดเมื่อเป็นดังนี้จึงพ้นทุกข์ไม่ได้แต่เพิ่มทุกข์ให้มากขึ้นฉะนั้นในทางปฏิบัติที่จะให้ถึงนิพพานนั้นก็คือว่าปฏิบัติถอนตันหาที่เสียบจิตนี้ออกนั่นเอง ที่มีอยู่ยังถอ น, ถอนไม่ได้ก็ไม่หามาเพิ่มเขาอีกและพยายามถอนที่เสียบอยู่แล้วให้หลุดไปโดยลำดับดังนี้ถอนตัณหาที่เสียบจิตออกได้หมดเมื่อไรก็เป็นนิพพานเมื่อ น, นั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่นิพพานอยู่ที่ไหนนิพพานก็อยู่ที่จิตนี่แหละไม่ใช่นิพพานก็อยู่ที่จิตนี่แหละไม่ใช่ที่ไหน มีตันหาเสีบจิตอยู่ก็ไม่ชินิพพานถอนตันหาที่เสีบจิตออกได้แล้วก็เป็นนิพพานพระเจ้าได้มีพระมหากรุณาทรงแสดงสั่งสอนวิธีที่จะถอนตันหาที่เสีบจิตนี้ไว้ด้วยคําสั่งสอนทุกข้อทุกบทที่ทรงสั่งสอน แต่โดยเฉพาะในข้อสุญญ า, านี้ได้ทรงสั่งสอนไว้ตั้งแต่ในขั้นต้นผู้ต้องการปฏิบัติก็ปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐานที่สวดแต่แสดงมาโดยลำดับได้เพราะกายเวทนาจิตธรรมนั้นก็ดังได้กล่าวแล้วว่าเป็นธรรมชาติธรรมดาที่ทุกคนมีอยู่ เหมือนอย่างในโลกนี้ก็มีป่าอยู่เป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องไปดูป่าข้างนอกข้างในก็คือกายเวทนาจิตธรรม